ตอนที่สิบสองพระสารีบุตรและพระโมคคลานะาระยะเวลาที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ใกล้นครราชครุนี้มีเจ้าลัทธิผู้หนึ่งชื่อสนชัยพร้อมด้วยสาวกสองร้อยกว่าคน ตั้งสำนักอยู่ณนะที่ใกล้ๆนั้นสาวกที่สติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเลิศสามารถเรียนจบหลักสูตรของสำนักนี้ชื่อว่าอุปติสสะและโกริตตะทั้งสองเป็นเพื่อนที่รักกันมากได้แอบสัญญากันว่าหากคนใดได้พบอริตธรรมเหนือกว่าที่ได้เรียนมาจะต้องบอกอีกคนหนึ่งให้รู้ด้วยวันหนึ่ง ในเวลาเช้าเมื่ออุปติสสะได้เห็นลักษณะกิริยาของพระอัสชิในขณะเดินบินธบาตอยู่ด้วยอาการเรียบร้อยเป็นที่จับตาจับใจชนิดที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยจิงเดินเข้าไปใกล้ก็ยิ่งหน้าเคารพเลื่อมใสเพราะใบหน้าของนักบวชผู้นี้ช่างเปรี่ยมไปด้วยความสงบสุขประดุดผิวน้ำในเวลา ง, งีบสงด ปราศจากคลื่นลมในเวลาค่ำคืนเขารำพึงด้วยความชงโนใจว่าบรรพชิตรูปนี้ต้องเป็นบุคคลบรรลุธรรมที่เรากำลังสแสวงหาอยู่หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นสาวกของผู้ที่ได้บรรลุธรรมนั้นแล้วเราอยากรู้เหลือเกินว่าใครหนอเป็นอาจารย์ของท่านผู้นี้และคำสอนนั้นเป็นอย่างไร เราจับติดตามเอาความจริงให้ได้เขาได้เดินตามไปห่างๆรอจนพระอสสชิเสร็จกิจจากบินทบาทกำลังเดินออกจากประตูเมืองจึงได้เข้าไปทำความเคารพทักทายด้วยถ้อยคำอันควรแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าท่านผู้เจริญอากับกิริยาของท่านเป็นที่น่าเคารพเรื่อมสายยิ่งนักใบหน้าของท่านเปล่งปลั่งผ่องใส ย, ยิ่ง ข้าพเจ้าใคร่ทราบว่าที่ท่านสละเย้าเรือนและญาติมิตรมาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้ด้วยคำสอนของใครอาจารย์ของท่านชื่ออะไรและคำสอนนั้นเป็นอย่างไรพระอัสชิได้ตอบว่าท่านผู้เจริญมีพระมหาสมณะแห่งวงสากยะผู้หนึ่งได้สละคารวาดวิสัย ออกมาบวชประพฤติพรหมจรรย์ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นครูของข้าพเจ้านั้นอุปติสตะได้ถามขึ้นด้วยอาการรีบร้อนว่าข้าแต่ท่านที่เคารพข้าพเจ้าอยากทราบเป็นอย่างยิ่งว่าคําสอนนั้นเป็นอย่างไรครูของท่านสอนอะไรพระอัสชิได้ตอบอย่างสุภาพว่า ข้าพระเจ้าเพิ่งมาบวชมีเวลาศึกษาน้อยจึงยังไม่ทราบอะไรมากนักถ้าท่านต้องการโดยย่อก็คงพอจะบอกเล่าได้บ้างเพียงสองสามคำอุปติตะกล่าวขึ้นโดยเร็วว่าท่านผู้เจริญใจความนั่นแหละที่สำคัญที่ข้าพระเจ้าต้องการทราบไม่จำเป็นต้องยืดยาวดอกพระสชิจึงกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังเถิดสิ่งใดมีเหตุเป็นเครื่องบันดาลให้เกิดขึ้นพระตถาคตได้ตรัสบอกถึงเหตุแห่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นพร้อมทั้งความดับสนิทของสิ่งเหล่านั้นพระมหาสมณะองค์นั้นมีปกติกล่าวด้วยอาการอย่างนี้ด้วยคํากล่าวเพียงสั้นๆ น, นี้ ความแจมแจ้งได้โพลงขึ้นในใจอุปติสอย่างรุ่งโรดว่าทาที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงสอนเป็นธรรมที่แสดงให้เห็นชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วหรือกําลังจะเกิดขึ้นก็ตามจะต้องดับลงไปอีกอย่างไม่มีทางยกเว้นอย่างไม่มีทางเลี่ยงได้อย่างไม่เคยผิดพลาดเลยอุปติสได้เห็นแจมแจ้ง ที่ประตูเมืองนั่นเองว่าสิ่งที่ไม่มีการเกิดเท่านั้นที่จะเป็นอิสระเหนือกฎที่ว่ามันจะต้องดับหรือต้องตายก็เมื่อไม่มีการเกิดและไม่มีการตายเสียแล้วสิ่งนั้นแหละคืออมรุตธรรมอุปติสตะเปล่าวคําขอบคุณและไต่ถามถึง ท, ที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วรีบกลับไปบอกเพื่อนถึงข่าวดีนี้ เมื่อโกลิตตะได้เห็นท่าทางและใบหน้าอันอิ่มเอิบของอุปติสั์เดินใกล้เข้ามานั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเพื่อนรักต้องได้พบอมรุตธรรมและเพียงคำถ่ายทอดไม่กี่ประโยคเลยโกลิตตะผู้มีภูมิปัญญาสูงสุดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ได้เห็นธรรมรู้แจ้งในทันทีนั้นเช่นกันในที่สุดสหายคู่นั้นได้ถือเอาพระพุทธองค์เป็นครู แทนครูสนชัยสื่อไปได้เข้าเป็นภิกษุในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้มีสติปัญญาและความสามารถมากทรงยกย่องให้เป็นพระอัครส า, าวกของพระองค์มีนามเป็นที่รู้จักกันภายในโลกนี้ว่าพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาพระโมคขลานะอัครส า, าวกเบื้องซ้าย และคาถาอันนำให้บุคคลทั้งสองได้ดวงตาเห็นธรรมนั้นได้รับนามว่าคาถาพระอัศจริในสมัยนั้นเองบรรดาคนหนุ่มจากตระกูลสูงจำนวนมากได้พากันสละบ้านเรือนบิดามารดาและญาติมิตรออกบวชตามอีกมากมายทั้งนี้เพราะเหตุที่พระองค์ทรงเป็นาศาสดาที่แตกต่างกว่ า, าศาสดาอื่นๆในประเทศนั้น ทั้งในข้อที่ทรงมีพระชาติกาเนิดที่สูงสักทั้งยังบรรลุธรรมอันสูงสุดซึ่งเมื่อใครปฏิบัติตามจนถึงที่สุดแล้วจกพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิงเมื่อคนหนุ่มๆพากันออกบวชอย่างมากมายเช่นนั้นประชาชนพากันตกใจบางพวกถึงกับโกรธแค้นพวกที่ไม่สบายใจได้ไปร้องทุกข์ต่อพระพุทธองค์ว่า ถ้ายังออกบวชกันอยู่เช่นนี้อีกไม่ช้าบ้านเมืองจะร้างจะไม่มีครอบครัวเพิ่มขึ้นและจกไม่มีคนหนุ่มประกอบกิจการงานต่อไปเพราะออกบวชเป็นภิกษุกันเสียหมด